บุกทูแปดสิบสองอดีตกา ร, 2. 2> ราสองแล้วคุณต้องเรียกรถพยาบาลไหม แล้วคุณ well, ต้องเรียกหมอไหมยาลมราโอโมราลาดรแล้วคุณต้องเรียกตำรวจไหมยาสิลมราอโมราลาสวัตติคุณมีเบอร์โทรศัพท์ไหม เมื่อกี้ยังมีอยู่เลยค่ะ Imatelibroj telefona Upravo sam ga imao imala คุณมีที่อยู่ไหมคะเมื่อกี้ยังมีอยู่เลยค่ะ Imatel adresu Upravo sam je imao imala คุณมีแผนที่เมืองไหมคะเมื่อกี้ยังมีอยู่เลยค่ะ เขามาตรงเวลาไหมเขามาตรงเวลาไม่ได <EERING> <gery> ้ค่ะดัลย์ h ดินเข้าน้ำรีแม่องนี่เหมา о กา่ดถชีน้รเขาหาทางพบไหมเขาหาทางไม่พบค่ะ เอลิ่พร้อมาช้าว์พูดอน i ม่ได prona วพร้อูเขาเข้าใจคุณไหมเขาไม่เข้าใจดิฉันค่ะดยอนรู้สูมิ n ออนเม้นี่ไม่ได้าไมคุณมาตรงเวลาไม่ได้คะ ทำไมคุณหาทางไม่พบคะ o n a 你 i put ทำไมคุณไม่เข้าใจเขาคะ为什么你 j e t ka ka. O, um i ดิฉันมาตรงเวลาไม่ได้เพราะว่าไม่มีรถเมย์ย่านิสัมโมเกมอโมกลาดูช i ในเ r ลเ e ย, ย์ยร์นี่บิลออัตโตบ s a าดิฉันหาทางไม่พบเพราะว่าไม่มีแผนที่เมืองย่านิสัมโมเก o โมกลาพรอนาชีพุทย์ร์น s ่สม อีมาลา a ดฉันไม่เข้าใจเขาเพราะว่าดนตรีดังเกินไปดิฉันต้องนั่งรถแท็กซี่ ดิฉันต้องซื้อแผนที่เมืองยาสมมอรอลมอรัลาคกูบิติแปลนกราดาดิฉันต้องปิดวิทยุยาสมมอรอลมอรลลอิสกูชูจิติรโอ